อนนี้ก็เป็นยาวของวันวันพระเนาะวันพระผู้ที่แบบหนึ่งก็คือวันวันธรรมสวรรณะคือวันที่พวกเราได้มาประชุมกันมาฟังธรรมกันคือการฟังธรรมก็จะคือฟังเรื่องที่เป็นเรื่องที่เป็นความจริงแทนะ้ที่มันเป็นกฎของธรรมชาตินะ แล้วก็ฟังไปเฉยเนะี่ยถ้าเราไม่ไมเ่เอาไปกระทานะเอาไปปฏิบัติมันก็มันก็ย่อมยากที่จะเกิดความเข้าใจนะนั้นเราก็ต้องฟังไปด้วยนะปฏิบัติไปด้วยแล้วก็มันก็จะเกิดผลนะ่ไปทีละขณะทีละขณะไปอย่างในสมัยก่อนบางทีพระพุทธเจ้าท่านเทศนะก็มีมีพิสุ หรือว่ามีญาติโยมหรือแม้แต่บางทีก็มีเทวดาอินพรมนะฟังธทำไปพร้อมนะก็เกิดการบรรลุธรรมไปพร้อมเลยนะแต่ที่จริงคือเขาไม่ใช่แค่ฟังเฉยนะแต่เขาปฏิบัติในใจไปพร้อมนะก็คือการตามรู้ตามเห็นนะสภาวธรรมที่ที่แสดงนะภายในใจนะไปพร้อม ขณะที่ฟังธทรรมไปเลยอย่างท่านพระพาพระพาหิยะเนาะท่านเป็นผู้ที่บรรลุธรรมเร็วที่สุดนะที่จริงเราเรียกว่าพระพาหิยะแต่จริงท่านยังไม่ได้บวชเลยนะท่านเคยสําคัญตนว่าเป็นคนบรรลุธรรมนะมีคนนักถือว่าบรรลุธรรมเพราะว่าดารงชีวิตคล้ายๆฉีบเปือยเนาะ เสื้อผ้าหลุดด้วยจากทะเลหนะ ค, นคิดว่าท่านปล่อยวางหมดแล้วท่านก็ท่านก็รับอ้างตอนนั้นนะแต่ฟอมีเพื่อนเทวดาเตือนว่ามีพระละหันอยู่จริงๆนะอยู่ที่เชตวันท่านก็รีบไปหาพระพุทธเจ้านะพอไปหาพพุทธเจ้าพระพเจ้าก็สอนเนะี่ยสอนพาหิยะนะเธอเห็นสักจะว่าเห็น ได้ยินสักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นสักแต่ว่าได้กลิ่นริ้มรสสักแต่ว่าลิ้มรสนะกายสัมผัสก็สักแต่ว่าสัมผัสใจรู้สึกคิดนึกนะก็รู้สึกแค่นั้นนะคือท้าสอนแค่ให้สักแต่ว่าภาหิยะได้ฟังตามเช่นนั้นก็มนุษย์ทมเป็นพระอรหันต์ทันทีนะ และยิงเขาว่าศัก์แต่ว่านในเรียกว่าอินเป็นอายตนะทั้งหกอะเนาะที่กระทบเกิดขึ้นมาท่านไม่ได้ฟังแค่สมองนะแต่ท่านรู้ด้วยใจตามไปด้วยนะถ้าสิ่งที่กระทบะภาษาพัเรียกว่าผัสษะนะกระทบเข้ามามันจะเกิดเวทนานเกิดความสุขความทุกข์ หรือว่าเฉยนะเราก็จะเกิดความชอบความไม่ชอบนะหรือว่าความเป็นกลางเฉยๆกับแต่ละผัสสะที่กระทบนั้นนะซึ่งตัวเนี้มันเป็นเหตุนะที่จะทำให้เกิดเป็นความทุกข์ใจนะเพราะว่าเมื่อเราชอบเราไม่ชอบมันก็จะไปปรุงแต่งต่อนะแต่ที่สำคัญคือการที่เราไปหลยึดมั่นถือมั่นนะว่ามันเป็น เป็นอารมณ์นี้ของเราเนะี่ยเป็นของของเราเนะี่เป็นตัวเป็นตนของเรานะมันมีอุปท า, านที่ไปยึดมั่นถือมั่นนะจากผัสสะที่กระทบนั่นแหละนะแต่ถ้าเราสักแต่ว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่ารู้สึกนะสักแต่ว่ามันคิดนึดเนะี่พอเราเห็นว่าเป็นสักแต่ว่าแนละ้ะมันก็ปุงต่อไม่ได้ หรือถ้าเรารู้ทันตอนที่มันปรุงแล้วก็ละตอนที่มันปรุงหรือเรารู้ทันตอนที่มันยึดนะก็วางตอนที่มันยึดนะอันนี้ก็เป็นวิธีการนะนะวิธีการที่ที่เราก็สามารถที่จะละวางนะความสำคัญผิดนะอย่างในปฏิจจสมุปบาทนะมันมีหลายขั้นตอนเนาะนะแต่มันก็แล้วแต่นะอย่าง พระพิจ่าท่านสอนพระพานิยะนะสอนตั้งแต่ขั้นผัสสะที่กระทบนะถ้ารับรู้เฉยๆนะมันก็ไม่ต้องไปเกิดเป็นเวทนาปรุงแต่งอะไรมากมายมันก็มันก็จบแค่นั้นก็ได้นะผู้ที่มีปัญญามากท่านก็รู้ทันตั้งแต่ผัสสะที่กระทบนะสติท่านเร็วนะแต่บางคนอาจจะไม่เร็วขนาดนั้นนะเกิดเกิดเวทนาสุขทุกข์ขึ้นมาหรือว่า เกิดตัณหาอุปาทานไปยึดมั่นถือมั่นแล้วนะก็ค่อยรู้ตัวนะหรือว่าบางคนก็ต้องถึงขั้นทุกข์ไปก่อนนะค่อยตื่นค่อยรู้ตัวว่าตื่นนะก็ก็ค่อยวางตอนนั้นอันนี้ก็เป็นแล้วแต่ระดับสติปัญญาเนาะแต่เราก็สามารถทำได้นะในทุกในระดึกได้ขั้นไหนนะก็ ก็ทําตอนนั้นนะตัวสตินะคือตัวที่จะช่วยให้เราระลึกให้ได้ระลึกให้ทันนบางทีเราก็ระลึกทันตั้งแต่ตอนที่ภาษากระทบนะกระทบแล้วก็หยุดการปรุงแต่งต่อก็ได้นะรืบางทีสติระลึกตอนกระทบไม่ทันก็ก็ไปรู้ทันตอนที่ไปยึดมั่นถือมั่นนะหรือไปรู้ทันตอนที่มันทุกข์แล้วนะ ก็รู้ตอนไหนก็วางตอนนั้นนี่คือหน้าที่ของสตินะนมันก็ขึ้นอยู่กับการการฝึกฝนนะถ้าเราฝึกฝนมากๆนะฝึกสติมากๆเนะี่ยสติมันก็จะจะไวขึ้นนะสติก็จะไวขึ้นเราอย่าไปคิดคาดหวังว่าสิ่งกระทบถ้าเราหลังจากที่เราฝึกแล้วมันจะต้องช้าลง หรือน้อยลงเนี่ยเราคาดหวังเช่นนั้นไม่ได้นะนเรามาปฏิบัติธรรมเราไม่รู้หรอกว่ า, าชั่วขณะวิวนาทีข้างหน้าหรือว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะเจอสิ่งอะไรกระทบบ้างาแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะขอให้กิเลสเขาอ่อนข้อหรือว่าเบาให้กับเราหน่อยเราทุกมากแล้วเราเหนื่อยนะน เราไม่ไหวนะเขาเขาไม่ได้เป็นไปตามที่เราขอร้องหรือเราต้องการเนาะนั้นเราเราเลือกไม่ได้นะว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะกับกายกับใจนี้หนะ้าที่เราทำได้เพียงแค่ฝึกส ต, ติให้มันให้มันเร็วขึ้นให้มันชำนานขึ้นให้มันมีกำลังมากขึ้นเนาะเพื่อเราจะได้รู้ทันนะรู้ทันผัษะที่มันกระทบนะ เมื่อเราถ้ามดายที่สติมันดีนะมันจะเห็นการกระทบนะแวบบๆในจิตในใจนี่แหละนะแค่ตาเห็นรูปบางอย่างเนะี่ยแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นใจที่มันไหลไปกับกับรูปที่มองเห็นนะบางทีเห็นรูปบางอย่างไหลใจมันไหลไปแล้วนะเช่นเห็นหมานะเห็นหมาขึ้นมาทีใจก็ไหลไปมองที่หมานะ เราไม่รู้ทันนะหมาบางตัวมันน่ารักนะโดยโดยสัญญาที่เราคิดว่ามันน่ารักนะเราก็อาจจะไหลไปรักหมานะก็ได้นะหมาบางตัวดูน่ากลัวเราเห็นนะใจเราก็เกิดความกลัวขึ้นมานะนะอันนี้ก็คือใจเราไหลไปไปกับสิ่งที่เห็นนะนะ การปรุงแต่งของแต่และคนก็อาจจะต่างกันนยะแต่มันก็จะแว บ, บออกไปวันนะี้เร็วมากนะตาเราไปมองเห็นดอกไม้เนกะิดความรู้สึกชอบขึ้นมาในใจเนกะิดความสนใจพินิจพิจารณามันเนยะมากขึ้นอันนี้ก็คือการปรุงแต่งอย่างหนึ่งนะนะถ้าเรารู้ทันเราจะอืมเราก็จะกลับมาเออไหลไปแล้วเนาะไหลไป ไปชื่นชมดอกไม้นะแต่จิตบางทีอาจจะไม่ต้องพูดสนานนะหละักแต่มันแค่รู้ว่าไหลมันก็จะดึงกลับมาหาความเป็นปกติอันนี้คือทางตาเนาะทางอื่นๆก็เช่นเดียวกันทางอื่นก็เช่นเดียวกันแต่โดยสำคัญอีกอย่างก็ทางใจเนาะทางใจเนี่ยบางทีมันไหลไหลไปนอกจากการกระทบนะผัสสะ นะภายนอกนะแล้วก็เกิดการทบว่าใจก็ไหลาตามแต่ทางใจนี่มันก็พิเศษบางทีไม่ต้องมีอะไรกระทบนะแต่มันก็ไหลไปของมันเองไดนะ้โดยที่ไม่มีเหตุผลนะใจนี่จะเอาเหตุผลนะกับมันไม่ได้นะมันเช่นเราปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีก็คิดนั่นคิดนี่นะไม่มีสาระหรือบางทีก็ฟุ้งซ่านไปเรื่อยนะ หรือบางทีก็มีสาระเป็นเรื่องดีๆเนี่ยเอาเรียกว่าเอาแน่เอานอนกับมันไม่ได้หรอกเพระฉะนั้นไม่ต้องไปเอาแน่เอานอนไม่ต้องไปคิดมันจัตยางนะบางคนพยายามจะไปจับหลักหาห า, หาดักหาดูะบวนเรียกว่าฝึกแบบวิเคราะห์แยกแยะอะไรกับมันที่จริงไม่ต้องเลยนะนะเรา ชั่งหัวมันไปเลยนะมันจะคิดอะไรจะรู้สึกอย่างไรเราแค่รู้ทันมันรู้ทันมันบ่อยๆนะในเวลาเราปฏิบัติบางทีมันก็อาจจะคิดเยอะหน่อยนะวันแรกๆคิดเยอะหน่อยก็ไม่เป็นไรนะนะแต่ถ้าเรามีสติเราจะรู้ว่าดราเผลอไปคิดเยอะนะแต่ถ้าเราขาดสติเราจะไม่นานๆนะถึงจะรู้ว่าเผลอไปคิดบ้างนะ แต่ที่จริงจิตมันเผลอไปคิดเด็วมากนะแต่บางทีมันก็เป็นความคิดแล้วนะแต่บางทีถ้าเราเห็นเร็วๆเนะี่ยมันแค่แวบ๊บๆในใจนะแวบ๊บๆจะปลูกอะไรสักอย่างขึ้นมาแต่พอมันทันมันก็อาการนั้นมันก็ดับลงไปนะอาการนั้นก็ดับลงไปแต่ถ้าบางทีมันไม่แวบบ๊บมันก็เกิดเป็นความชอบความไม่ชอบขึ้นมาแล้วเนะี่ยเราก็รู้สึกได้นะ นอกจากใจที่มันเป็นความชอบความไม่ชอบแล้วบางทีมันก็เกิดปฏิกิยาของร่างกายขึ้นมานะชอบก็อาจจะเป็นความสุขขึ้นมาไม่ชอบก็เป็นความทุกข์นนะหนักอกหนักใจขึ้นมานะสุขก็เบากายเบาใจขึ้นมาเนะี่ยเราก็สังเกตได้นะคือความสัมพันธ์ของ กายแล้วก็ใจเนี่ยมันสัมพันธ์กันกันตลอดเวลาเนาะนั้นหน้าที่ที่เราฝึกสติเนี่ยเราจะรู้ทันนะสภาวะธรรมในปัจจุบันน่ะจากกายก็ได้จากใจก็ได้แต่รู้ทันโดยที่ไม่ต้องไปห้ามมันนะไม่ต้องไปห้ามน่ะไม่ใช่ไปกดไปบังคับน่ะ หรืออีกอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าไปเผลอตามอารมณ์ตามความคิดตามการปรุงแต่งขึ้นไปนะเราดูเฉยเฉยหลวงพ่อคำเขียนบอกให้รู้ซื่อๆนะคาว่ารู้ซื่อๆเนี่ยนะสําคัญที่สุดเลยนะแต่มันก็รู้เราก็ต้องฝึกมากนะถึงจะรู้ซื่อจริงๆนะคําว่าซื่อคือรู้ด้วยความเป็นกลางรู้ด้วยความตั้งมั่น รู้ด้วยความไม่เจือด้วยความชอบความชังนะไม่เจือด้วยอคติอะไรต่างๆนะรู้มันโดยความจริงนะคาว่าเราจะฝึกอย่างไรให้จิตมันรู้ซื่อๆนะเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องฝึกรู้สึกตัวเนี่ยแหละฝึกให้รู้สึกตัวฝนะึกให้จิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะฝึกกลับมารู้กายนะ ที่เคลื่อนไหวรู้สิ่งที่กำลังกระทาอยู่เนี่ยคือกลับมาฝึกรู้สึกตัวหาฐานกายเนะฐานกายนี้มันมันจะซื่อๆมันจะตรงๆนะมันจะเรียกว่ารู้ได้ง่ายเพราะมันมันหยากมันชัดนะมันก็กลับมารู้สึกตัวแบบนี้นแหละแต่ก็ขอให้รู้แบบไม่ใช่ไปจ้องส่วนใดส่วนหนึ่งเนาะรู้แบบรู้ตัวดมวน ะ, นะนะ รู้แบบแล้วก็รู้แบบผ่อนคลายด้วยนะนะรู้แบบผ่อนคลายนะบางทีแล้วก็ไปเกรงไปเพ่งเกินไปมันก็ไม่ใช่การรู้สึกตัวแบบที่แท้จริงเท่าไหรนะ่ะแต่ก็ต้องฝึกเนะี่ยค่อยๆฝกึกรู้สึกตัวขึ้นมาเมื่อจิตฝึกการรู้สึกตัวมันก็จะเกิดการตื่นตัวนะคือจิตมันก็จะตื่นนะตื่นจากอะไรตื่นจากสภาวะที่ลืมตัวนะ ลืมตัวเสียก็คือไปอยู่กับความคิดหรือไปอยู่กับอารมณ์นะมันก็จะเมื่อจิตมันคิดหรือว่ามันไปนเสวยอารมณ์เมื่อเรากลับมารู้สึกตัวจิตมันก็จะกลับมากลับมาไม่ไปตามความคิดไม่ไปตามอารมณ์นะเนี่ยมันคือเรียกภาวะการตื่นตัวนะมันก็จะเป็นผู้ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเรารู้สึกตัวมันก็จะมีการตื่นตัว แล้วก็ตื่นใจเลยนะใจมันก็จะตื่นตื่นจากความหลงตื่นจากความเพลินตื่นจากความที่ไปจมกับความทุกข์อะไรนะพอมันตื่นขึ้นมาแล้วเนะี่ยมันก็จะฝึกไปเรื่อยๆนะมันก็จะมีกำลังของสมาธิถ้าเราฝึกแบบต่อเ น, นื่องไปเรื่อยๆนะเรารู้ตัวบ่อยๆนะมันก็จะมีกำลังสมาธิมากขึ้น จิตก็จะมีความตั้งมั่นนะมีความมั่นคงมันก็จะมีมันก็จะสัมผัสได้กับความสุขที่เกิดจากการรู้สึกตัวนะเมื่อเรามีความสุขในการรู้สึกตัวไปเรื่อยๆนั่นแหละจิตมันจะเริ่มสงบเข้ามานะสงบเพราะอะไรมันก็รู้สึกพอใจแต่พอใจไม่ใช่แบบชอบใจนะพอใจคือเป็นฉันทะนะเป็นฉันทะที่รับ ทานภาวนานะรู้สึกพอใจที่ได้ปฏิบัติธรรมนะพอใจที่ได้กลับมารู้ทันกายใจนะมันเป็นความสุขมันเป็นชันทะพอใจที่จะนะรู้สึกนะกับการเคลื่อนไหวหรือพอใจรู้สึกที่จะรู้ทันจิตใจที่เผลอนึกคิดปรุงแต่งไปนะมันจะมีความขยันนะมีความขยันไปในตัวนะความเพียรมันก็ เกิดขึ้นมาของมันโดยเรียกว่าละความขี้เกียจที้คานไปได้นะเนี่ยพอไม่มีความขยันนะถ้าภาษานะปฏิบตัติบางทีเรียกว่าได้อารมณ์นะได้อารมณ์ภาวนานะบางคนก็ไปเก็บอารมณ์เพราะว่าได้อารมณ์มนะี่แหละแต่สมัยนี้บางทีก็เก็บอารมณ์แบบอยากลองดูนะแต่จริงสมัยก่อนเนะ่พอปฏิบัติแล้วได้อารมณ์ก็คือเนะี่ยได้ความเพลินนะ ได้ความชอบที่จะปฏิบัตินบางทีก็ขอโอกาสเก็บอารมณ์นะหรือครูบาอาจารย์ก็บอกให้เก็บอารมณ์คือก็ส่งเสริมให้ทำเต็มที่ไปเลยนะทำให้เต็มที่ไปเลยอพอเราทำไปเยอะๆนะพอมันไดอารมณ์มันจะชอบในการภาวนามันจะเกิดความสำรวมนะสารวมกายวาจาใจของมันเองนะ สำรวมแบบไม่ต้องมีใครบังคับนะมันก็จะไม่ค่อยอยากพูดอยากคุยอยากเล่นอยากหัวนะที่มันจะเกิดความพุ่งซ่านนะหือว่ามันก็เห็นว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเนาะหรือการงานบางอย่างนะถ้ามันไม่ใช่เรื่องจําเป็นไม่ใช่เรื่องอะไรมันก็มันก็ไม่อยากทํานะแต่ถ้าเรื่องจําเป็นมันก็ก็ทําอยู่ น, ะ น, นี่คือมันจะเกิดความสำรวมนะ บางทีบางคนเคยชอบอ่านหนังสือนะมันก็จะวางหนังสือได้เยอะเลยนะเพราะว่าไม่แต่เป็นหนังสือที่เป็นความรู้ทั่วไปหรือหนังสือธรรมะเองมันก็จะมันก็จะวางนะอืมมันก็จะอาจจะแค่ฟังเท่าที่ได้ยินได้ฟังจากการฟังเทศประธรรมมันก็มันก็พอละอแต่มันอยากจะมีอารมณ์ในการปฏิบัติให้มันมากขึ้นน อะไรที่มันอย่างที่บอกคำพูดคำจานก็จะสํารวมระหว่างเองมันจะเห็นโทษนะมันจะเห็นโทษด้วยตัวของมันเองว่าพูดแบบนี้นะมันตอดเสียดมันฟุ้งซ่านนะมันทำให้จิตใจมันคือไปพูดสอดเสียดคนอื่นเนี่ยใจก็ฟุ้งซ่านนยพูดเฟิเจอร์สนุกสนานเนี่ยใจก็ฟุ้งซ่านนะนะ นเนี่ยพเนี้ยมันก็จะสำรวมระวังเนะี่ยโดยคำพูดโดยการกระทำต่างต่างขึ้นมาไม่ได้มีใครบังคับนะมันจะเกิดการระวังของมันเองเนะี่ยเราก็เรียกว่าได้อารมณ์ในการปฏิบัตินะเราก็ปฏิบัติไปเรื่อยเื่อสติมันก็มันก็จะต่อเนื่องมากขึ้นเรื่อยเ่นะแต่ถ้าบางคนได้อารมณ์ภาวนาก็จริงแต่ถ้าคิดเนี่ย คิดอยากจะรู้ธรรมะคิดอยากจะบรรลุธรรมเนี่ยบางทีก็อาจจะเปไปนาะเพราะว่ามันทําด้วยความอยากแม้มีความเพลินในการภาวนาแต่ถ้ามีความอยากแทรกเข้ามามากๆเนี่ยเดี๋ยวอารมณ์พวกนี้ยก็จะเสื่อมเนะเพราะว่าทําไปสักพักหนึ่งสามสี่ห้าวันแล้วเออทําไมไม่ได้ผลน ทำไมไม่เห็นเกิดความก้าวหน้าทำไมไม่เห็นจะบรรุนั่นบรรุนี่นะไอ้พวกเนี้ยจะค่อยๆเสื่อมถ้าเราไม่รู้ทันว่าไอ้ความอยากมันมาแทรกมาครอบงำจิตใจนะอารมณ์ที่เคยเพลินเพลินในการภาวนาเนะี่ยมันก็จะค่อย ๆ, ๆเสื่อมลงนะตัวความรู้สึกตัวก็จะค่อยๆเสื่อมลงนะตัวความพอใจในการภาวนาก็จะค่อยๆเสื่อมลงนะแต่ถ้าเรา คอยรู้ทันละความอยากนะอยากที่จะรู้นั่นรู้นี่ขึ้นมาได้นะมันก็มันก็จะภาวนาไปด้วยความเป็นฉันทะที่มีความสุขที่ได้ปฏิบัตินะเป็นความสุขที่ได้ทําเหตุนะแล้วก็ทําไปเรื่อยๆทำไปเรื่อ ย, อยๆนะนะ่ก็วางความอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีนบางทีก็มีแทรกเข้ามาบ้างแหละเนะี่ยมัน จิตมันก็ไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นแต่เราก็รู้ทันมันแล้วก็วางมันรู้ทันมันแล้วก็วางมันมันก็จะเป็นความสุขที่ได้ปฏิบัติเป็นความสุขที่ได้ทำเหตุนะเมื่อเราทำแบบนี้ต่อเนื่องนะกำลังสมาธิที่มันเกิดความตั้งมั่นเกิดความเป็นกลางแล้วก็กำลังสติที่มันว่องไวรวดเร็วนี่แหละเนี่ยมันจะเห็นสิ่งที่ละเอียดขึ้นเรื่อยเนี่ย อย่างกายที่แต่ก่อนรู้แบบหยาบๆนะรู้เอียบบทสี่ยืนเดินนั่งนอนหรือว่าหูเหยียดเคลื่อนไหวอนริบ ท, ที่มันย่อยๆลงไปจะพิษตาอ้าปากหายใจหรือความรู้สึกที่มันละเอียดกับร่างกายนะมันก็จะรู้ได้ได้บ่อยได้มากขึ้นนะ มันจะรู้ของมันเองนะโดยที่แบบไม่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปตั้งใจไม่ต้องไปกําหนดอะไรนะมันจะรู้ของมันเองแต่บางคนอาจจะรู้ไม่ละเอียดมากก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่ได้ว่าผิดนะแต่ที่สําคัญอีกอย่างคือเมื่อจิตมันตั้งมั่นจิตมันละเอียดขึ้นเนะี่ยมันจะทันอารมณ์ทันความคิดที่ที่แต่ก่อนเราไม่เคยเห็นไม่เคยทันนี่ ไม่เคยรู้ว่ามันเกิดขึ้นนะกับจิตกับใจนี้แต่ที่จริงมันมันอาจจะบางคนอาจจะรู้ทันตัวหยาบหยากก่อนนะเช่นโทสะความโกรธเนะี่ยความไม่พอใจเนะี่ยมันเป็นตัวหยาบยากที่มันมันเกิดขึ้นมาแล้วมันแสดงสภาวะทุกข์ที่ที่ชัดขึ้นเนาะตัวกลางกคืออะไรตัวความโลภนะตัวความโลภความอยากได้เนะี่ย ความต้องการนะที่มันมันก็เกิดความเหมือนมันก็บีบคั้นนะบีบคั้นให้จิตมันทุกข์นะทุกข์ที่อยากจะต้องสนองให้มาได้ให้มันได้มานะถ้าเราเห็นมันก็จะเป็นความบีบคั้นของจิตที่มันทุกข์นะแต่ตัวที่มันละเอียดมากๆคือตัวความหลงนะหลงแบบเนียนๆนะหลงแบบพอใจนะ หลงแบบเพลินอะไน่ะหรือบางทีก็หลงแบบซึมๆอะไรน่ะไอ้พวกนี้เป็นความหลงมันก็มีมีหลายลักษณะแต่โดยใหญ่อารมณ์มันจะค่อนข้างเนียนๆนะมันจะละเอียดมันจะรู้ทันได้ยากสติมันก็มันก็ขึ้นแล้วแต่กําลังสติในแต่ละขณะนะมันจะรู้ทันอะไรแต่ที่จริงก็คือว่าบางทีเราก็เลือกไม่ได้หรอก อที่อารมณ์อะไรเด่นขึ้นมาสติก็จะเข้าเขาก็จะไปรู้ของมันเองนะเมื่อเราสติฝึกสติไปเรื่อยเนะี่ยสติมันจะเป็นอัตโนมัตินะ่นะอัตโนมัติคือคือว่ามันจะไม่เลือกหรอกว่าจะรู้แต่กายอย่างเดียวเนะี่ยยไม่สนใจเวทนาสนใจจิตอะไรนะมันเลือกไม่ได้นะ หรือจะเลือกรู้แต่จิตอย่างเดียวไม่สนใจกายก็เลือกไม่ได้นะเมื่ อ, อไหร่ที่เราฝึกไปเอยอะๆเนี่ยสติมันเป็นอัตโนมัติฐานใดที่มันเด่นกว่าฐานอื่นสติเขาจะรู้ของมันเองเราเดินอยู่แต่ถ้าจิตมันมีความอยากขึ้นมานสติจะไปจับรู้ทันความอยากในจิตของมันเองน หรือว่าเรานั่งยบมือสร้างจังหวะอยูนะ่ถ้าจิตมันเผลอไปมือมือลอยขึ้นมาสติก็จะไปจับไปรู้ทันของมันเองจะเรียกว่าสติปฐานทั้งสี่ทั้งสี่มวน่แหละนะสติแม้เราจะสร้างเบื้องต้นจากกรรมฐานรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก่อนเป็นดักนะแต่พอมันพัฒนาไปเรื่อยเนี่ยนะ มันก็ไม่มันก็ไม่เลือกกลักนะแต่มันก็จะบนรู้ในกายในใจนี่แหละนะทั้งสี่ฐานแล้วแต่ว่าสภาวธรรมในตอนนั้นอะไรมันชัดอะไรมันเด่นนะสติเขาก็จะเข้าไปรู้ของมันเองจะเรียกว่าสติเป็นอัตโนมัติสติเป็นธรรมชาติก็ได้นะไม่ต้องตั้งใจรู้ไม่ต้องกำหนดรูนะ้แต่มันก็จะรู้ของมันเอง แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เผลนะ่นะเออมะสติเป็นอัตโนมัติไม่ใช่ว่าจะไม่เผลอบางทีสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตเนี่ยมันต้องเผลอก่อนมันถึงจะรู้นะมันจะไปรู้ก่อนที่มันจะเผลอไม่ได้นะอมันต้องเผลอไปก่อนเผลอไปชอบแล้วค่อยรู้ว่าเออเผลอไปชอบแล้วนะเนียเผลอไปไม่พอใจนะค่อยรู้ทันว่าเออเกิดความไม่พอใจในใจแล้วนะ เคือมันก็เผอก่อนนะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละขณะมันสติมันเร็วไหมถ้าสติเร็วก็รู้ทันได้เร็วถ้าสติมันยังอ่อนกําลังเนี่ยมันก็อาจจะรู้ทันได้ช้าหน่อยหรือถ้าเป็นอารมณ์ที่หยาบหยาบเนี่ยหรือเป็นอารมณ์ที่คุ้นเคยที่ในการรู้มันบ่อยมันก็จะรู้ทันได้บ่อยแต่ถ้าเป็นอารมณ์ที่ละเอียดบางทีก็เนียนมากจนจนรู้ได้ยากนะ คือทันมันแต่ไม่ค่อยละเอียดนะเนี่ยมันก็จะเกิดค่อยๆพัฒนาไปนะเมื่อสติมันพัฒนาไปมันก็จะค่อยๆเกิดความเข้าใจนะเกิดความเข้าใจในวิปัสสนาญาณ น, นะในแต่ละขั้นแต่ละขั้นไปเนะี่ยอันนี้ก็เราก็ไปกําหนดไม่ได้หรอกนะนะกําหนดไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้คือเราทําเหตุเนะเราทําเหตุ โดยการที่คอยมันฝึกแบบนี้บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นในการทําในรูปแบบก็ดีหรือว่าการปฏิบัตินอกรูปแบบก็ดีก็พยายามตั้งใจเนอะแรกๆก็ตั้งใจตั้งใจคือเอาความคล้ายๆความมั่นคงของใจนในการตั้งที่จะปฏิบัติธรรม เราทําในรูปแบบาบางทีก็บางทีมันก็บางขณะมันก็เบื่อบางขณะมันก็ฟุ้งซ่านนะก็ต้องตั้งใจมากขึ้นนะแต่ตั้งใจไม่ใช่ไปข่มนะตั้งใจคือเออตั้งหลักใหม่ตั้งหลักใหม่นะหายใจเข้าหายใจออกใหม่กลับมารู้ตัวก่อนแล้วก็เดินใหม่ถินะ่ จ, จะฟุ้งซ่านก็ไม่มีอะไรก็ตั้งหลักใหม่นะ เรียกว่าแรกแรกก็ตั้งใจไปก่อนแต่พอทำไปเรื่อยมันจะค่อยค่อยผ่อนของมันเองนะหรือจะเรียกอย่างว่าแรกแรกก็ตึงนิดนึงดีกว่าย่อนไปเลยตึงนิดนึงน ะ, นะเพราะว่าแต่ก่อนชีวิตเราส่วนใหญ่มันจะค่อนข้างมันจะย่อนนะเป็ย่อนไปกับความคิดความหลงความเพลินเนี่ยมันจะย่อนไปเยอ ะ, ะเรียกว่าไหล ไปกับอารมณเนี่ยเป็นประจำในะ น, นการตึงนิดนึงก็คือตั้งใจสักหน่อยก่อนตั้งใจสักหน่อยก่อนนะแต่เราก็ต้องฝึกให้ทันนะถ้าตั้งใจแล้วมันเครียดก็ต้องรู้จับผ่อนคลายนะมันอึดอัดมันไม่สบายก็ต้องรู้จับ ม, มองไกลๆหายใจคล่องๆนะหรือบางทีก็ถ้าไม่ไหวจริงๆก็เปลี่ยนีย่าบดนะ นั่งไม่ไหวเดินไม่ไหวทําำมันเครียดก็เปลี่ยนไปกวาดบ้านถูบ้านนะ่ะล้างหน้าล้างตานะเดินเล่นเหมนน่ะก็เปลี่ยนไปแต่พอทําไปเรื่อยก็รู้จักปรับรู้จักเปลี่ยนตอนไหนมันตึงเครียดนะ่ะก็ผ่อนคลายตอนไหนมันหย่อนก็ตั้งใจขึ้นมาเนะี่ยนี่ก็แรกแรกก็ทําแบบนี้นะ่ะ พอทำไปเรื่อยมันก็เป็นธรรมชาติของมันเองนะมันก็จะรู้รู้แบบสบายๆรู้แบบเรื่อยๆของมันไปได้เองนะแต่มันก็ต้องคล้ายๆต้องขยันมันจะมีความขยันของมันเองนะก็กำกำหนดรู้ไปเรื่อยนะทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบนะเพราะหน้าที่เราจริงๆนั่นแหละคือการการภาวนาเนาะ ที่เราได้เกิดมานะเป็นมนุษย์ที่เราได้มีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนานะคุณค่าที่สูงสุดของการมีชีวิตเนะี่ยคือการรู้จักนะรู้จักภาวนานะรู้จักเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดนะีรู้จักเปลี่ยนความหลงให้เป็นความรู้นะรู้จักว่าชีวิตจริงๆมั น, มนคืออะไร คำว่าพิสนะุคือผู้เห็นภัยนะเห็นภัยของอะไรเห็นภัยของวัตตะสมสารนะที่เกิดการเวียนว่ายใจเกิดมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติเนี่ยแหละนะเราเสียใจเราหลงดีใจไม่รู้กี่ครั้งกี่คราวนะน้ำตาไหลทุกใจไม่รู้กี่หน แค่ชาตินี้เราก็เห็นนักบางทีในแต่ละปีเนี่ยเราก็ไม่รู้ทุกใจเสียใจมากน้อยเท่าไหร่เนี่ยนะในภพชาติที่อดีตหรือว่าภพชาติในอนาคตถ้าเรายังไม่ไม่สิ้นสุดนะการเรีนยนไหวแต่เกิดนี่ก็จะต้องทุกใจอีกเท่าไหรนะ่ะคําว่าพิสุก็คือผู้เห็นภัยตรงนี้แหละนะเห็นภัยของความโลภความโกรธความหลงความรักความชั่งนี่นแหละนะ เมื่อเราเห็นภัยแล้วเราก็จะออกมาจากออกมาจากวัตะตว น, นั้นได้นะนั้นพิสุเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่พระนะถ้าเราเป็นค า, า, ารวะแต่เราก็ยังเห็นภยัยนะแล้วก็มีความตั้งใจที่จะออกนะจากวัตะนะสงสารตัวนี้นะเราก็จะเรียกว่าเป็นผู้ที่เดินตามรอย菩าสดานะนะเป็นผู้ที่นะ ไม่ใช่เพียงแค่นับถือเพียงแค่ทะเบียนบ้านหรือนับถือโดวยวาจานะแต่เราเอาชีวิตของเราเนี่ยแหละเป็นเป็นตัวอุทิศนะเดินตามรอยพระพุทธเจ้านะแม้เรายังมีงานมีการต้องทำแม้เราต้องมีอย่างอื่นที่ต้องเกี่ยวข้องแต่ใจเราเนี่ยอย่าทิ้งทำนะอย่าทิ้งธรรมะ ธรรมะที่เป็นกุศลฝ่ายไหนก็แล้วเป็นกุศลตัวไหนก็แล้วแต่นะทำไปเถอะนะตั้งแต่เริ่มแรกแะทานศีลภาวนาหรือแม้แต่ตัวธรรมะที่เป็นเจตัวส่งเสริมบารามีต่างๆเนี่ยก็ก็ทำไปเถอะนะความรู้จักอดทนอดกั้ น, นความรู้จักที่ ทำความเพียนอะไรต่างๆเนี่ยก็ตะบะข่มใจมันเนี่ยนะก็ฝึกไปเนะี่ฝึกไปเรื่อยๆพวกนี้มันจะเป็นตัวเกื้อนหนุนนะเมื่อเราเจออารมณ์เจอภาษาที่กระทบ ม, มันก็จะมันก็จะมาช่วยเสริมเยอะเลยนะช่วยเสริมเยอะดังนะ น, นั้นสิ่งอะไรที่เป็นกุศลก็ก็พึงทํำนะถึงใดที่เป็นอกุศลเป็นสิ่งไม่ดีนะก็พึงละนะเนะี่ย บางคนปฏิบัติธรรมเนาะนะถ้าเราไม่ละของเก่าออกไปเสียบ้างเนี่ยมันจะมันก็เนิ่นชานะอบางตัวมันเป็ น, ปนตัวตนเป็นอีกโก้เป็นอัตตาเป็นมานะบางอย่างที่เราก็รู้นะมันไม่ดีแต่ก็ไม่อยากละมัน น, นี่ใส่อะไรที่ไม่ดีเราก็รู้นแต่ก็ไม่อยากละ เพราะมันคุ้นชินกับตัวตนแบบนีนะ้มันอาจจะเป็นเหมือนคล้ายๆเกาะกำบังของเราบางอย่างในกา ร, รเผชิญหน้ากับคนในการเกี่ยวข้องกับคนหรือการงานต่างๆแต่จริงถ้าเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีนะเราก็ต้องฝึกที่จะทนแบบใหม่บ้างนะนะนะนะเช่นบางคนแข็งกระด้างนนะก็ต้องรู้จากห่อน้อมถ่อมตนบ้าง ไม่งั้นมันก็ไม่ลงสักทีนะมันก็ยังแข็งเหมือนเดิมแม้จะตั้งใจฝึกนะแต่บางทีถ้าฝึกตั้งใจฝึกแล้วก็ไม่รดละตรงนี้ด้วยมันก็มันก็จะมันก็ยากที่จะเห็นตัวเองชัดนะนั้นด้านแต่สรุปง่ายๆก็ได้ประมาณว่าด้านที่ดีนะก็ทำให้มันเยอะๆ อ, อะไรก็แล้วแต่ด้านที่ไม่ดีนะ ก็ละมันให้มันได้เยอะๆะที่มันเป็นนิสัยอะไรไม่ดีก็ละมันไปเยอะๆแต่สิ่งที่สําคัญก็คือด้านการวางใจน ะ, นะใจที่เป็นใจที่บริสุทธิ์นี่แหละนะก็คือรู้จักปล่อยวางบางทีทําดีแล้วก็ต้องวางนะทําดีแล้วก็วางไม่ใช่เอาตัวเราเป็นผู้ทําดีนะหรือทําลาดไปแล้วก็ต้องรู้จักวางไม่ใช่เอา ตัวเราเป็นผู้ที่เคยทำพลาดแม้แต่มรรคผลนิพพานก็เหมือนกั น, นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตัดไว้บทสุดท้าย่บอกสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสาย ะ, ะทำทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่ น, น, นเพราะถึงที่สุดแล้วการปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่ทำเพื่อความยึดมั่นถือมั่นว่า เราได้เราดีเราวิเศษอะไรเนะมันธรรมะเป็นเหมือนพาหนะเหมือนเรือที่ส่งเราขึ้นฝั่งเหมือนรถที่ส่งเราถึงจุดหมายแต่เราก็ต้องวางนะวางพาหนะนะก็คือการไม่ยึดมั่นถือมั่นตัว น, นี้แหละนะมันก็จะทำให้เราถึงจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติเนาะ ก็ฝากไวนะ้ในเช้าวันนี้